ต่อ น, นี้ไปทุกคนให้พึงสำรวมใจของทนให้ดีนี่แหละเรียกว่าการอบรมการอบรมมันก็ต้องมีผู้นำมีเป็นผู้แนะนำผู้ฟังก็ทำจิตใจของทนให้ดีทำความสงบใจลงไป มีสติคมประเญเนะควบคุมจิตให้ดีอย่าให้วอกแวกเวลาเช่นนี้แหละเราจะรู้ได้ว่าจิตมันตั้งมั่นเบาหรือจิตไม่ตั้งมั่นมันจะรู้ได้เวลานี้วเวลาฟังธรรมเวลาควบคุมจิตใจ ถ้าเวลาเช่นนี้ยังควบคุมจิตไม่ได้จิตยังพุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่แล้วมันก็ใช้ไม่ได้เลยถ้าไปภาวนาอยู่คนเดียวมันก็ยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งควบคุมจิตไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามเพ่งความรู้สึกอ น, นั้นให้มันเข้มแข็งอย่าให้อ่อนแออืม เพ่งความรู้สึกนันก็คือเพ่งจิตนั่นเองไม่ใช่อย่างอื่นใดจิต ก, ก็คือความรู้สึกนั่นเองดังนั้นเพ่งให้มันหยุดนิ่งอยู่ได้มันไม่หยุดนิ่งเฉลยแต่มันไม่ใช่ไม่ได้เลยจิตนี่เพราะนั้นต้องต้องกำหนดลงให้แน่วแน่ มเมื่อจิตไม่สงบมันก็ไม่รู้จักทุกมันเป็นอยงางนั้นความไม่รู้จักทุกก็เพราะจิตมันเลื่อนลอยจิตมันเลื่อนลอยไปตามทุก์ทุกนั่นมันไม่เป็นของนิ่ง ทุกลักษณะทุกขนั้นเป็นเรื่องแปรปวนเป็นเรื่องวันไหวอ่าเบงนั้นดังนั้นเราฝึกจิตให้นิ่งเนาะมันจึงรู้จักความวันไหวของร่างกายสังขารอันนี้ได้อ่าเบงนั้นให้เข้าใจดังนั้นในการฝึกจิตให้สงบนี่นะ่ะ มันจึงเป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการปฏิบัติทางจิตใจให้พากันเข้าใจแังนั้นการที่มีข้อวัดปฏิบัติกันได้มาร่วมชุมนุมกันในศาลาการประเรียนนี้ก็เพื่อจะฝึ ก, กจิตให้นิ่งนั่นแหละจุดมุ่งหมายทีแรกนะอันก็ส่วนมาก จิตของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยนิ่งนะอ่ะมันมักจะแกลนแ่นไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อทิงอารมณ์อนไรเรื่องใดกระทบมาแล้วมันก็วิ่งไปตามเลยอย่างนี้นะมันน่จึงได้ชื่อว่าจิตนี่มันไ ม, ไม่ไม่ตั้งมั่นอยู่ได้มันก็ไม่รู้ความจริงคนส่วนมากมนะันเป็นเช่นนี้แหละ เหตุนั้นมันจึงเลื่อนลอยอยู่ในโลกสงสารอันนี้หนีจากโรคอันนี้ไม่ได้เลย อ, อันนั้นหนีจากโรคอันนี้ไม่ได้เพราะจิตใจเลื่อนลอยแล้วมันก็ผูกพันอยู่กับโรคนี้เดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายนั่นเองดังนั้นถ้าเราทำจิตให้นิ่งแล้ว มันจะรู้ได้ว่าร่างกายสังขารนี้ไม่มีอะไรนิ่งนิ่งอยู่ได้มีแต่แปรปวนไปอยู่นั้นทีนั้นแล้วมันก็จะเกิดทิพทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาอมืมันไม่เบื่อหน่ายนี่แหละเหตุที่มันปรุงมันวางขันห้าไม่ได้นี่นะจิตไม่เบื่อเรื่องมันนะอหากินได้นอนหลับอยู่กันยินดี อยู่กับร่างกายอันนี้แหละว่าจนสบายอยู่เกลยะไม่อยากคิดรู้ความจริงของชีวิตนี่ก็เพียงได้อาศัยความสบายไปวันวั น, วนเท่านั้นเองเนะี่ยเป็นอยู่ไปการที่จะทำเพียง น, นั่งภาวนาเข้าไปให้มันเห็นทุกข์ เกิดขึ้นบ้างน้อยคนที่จะทําได้พ อ, อนั่งไปหน่อยหนึ่งแล้วพอมันเจ็บมันปวดมันอะไรขึ้นมาบ้างก็อเอาแล้วทนไม่ไหวแล้วหาทางที่จะยุกเลิกเมื่อเป็นเชน่นนี้มันก็ไม่เห็นทุกข์สักเพียงนั่นน่ะเรื่องมันนะมันก็ไม่เห็นทุกข์ดังนั้น ให้พากันเข้าใจว่าความที่จิตไม่เห็นทุกนี่แหละมันจึงไม่เบื่อทุก์ไม่เบื่อโลกสงสารอันนี้มันจึงอยู่ห่างไกลต่อพันิพานยิ่งนักถ้าหาว่าบุคคลยังเกียดครานอยู่ยังปล่อยใจของตนให้อ่อนแอท้อแท้อยู่เนี่ย แม้จะเข้ามาบวชในพุทธศาสนานี่มันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้อดม๋ยวนั้นให้พากันเข้าใจเราจะรอดจากทุกข์ไปได้ก็เพราะอาศัยทำใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวนี่แหละสำคัญมากเพราะว่าร่างกายอันนี้นะ มันกระทบกระทั่งกับจิตีนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นถ้าจิตไม่เข้มแข็งแล้วมันก็จึงวันไว้ไปตามร่างกายก็เรียกว่าจิตเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นจิตเป็นทุกข์ก็คือจิตรุ่นวายนั่นเองเนี่ยจิตไม่สงบนั่นเองอันนียจิตวันไว้ลักษณะของจิตที่เป็นทุกข์ จิตไม่เป็นทุกข์คือจิตตั้งมัน่นแม้ว่าจะถูกสังขารร่างกายนี่กระทบกระทั่งอย่างไรมันก็ยังมีสติตั้งมั่นอยู่ได้รู้ตัวอยู่ว่าตนไม่วันไหวกับร่างกายสังขารอันนี้รู้ตัวได้อย่างนี้นะถึงเรียกว่าจิตไม่เป็นทุกข์ ก็ถือว่าจิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งไม่ใช่เป็นของร่างกายขันธ์หน้าทั้งหมดไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะแต่อาศัยอยู่กับร่างกายอันนี้แหละแต่เมื่อฝึกฝนให้มันเข้มแข็งหนักแน่นเฉลียวฉลาดแล้วมันรู้เท่าอันี้รู้เท่าอาการของร่างกาย ที่มันเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรอยู่มันก็กำหนดรู้ตามเห็นตามไปเพราะมันไม่วันไหวถ้ามันวนไหวแล้วมันจะกำหนดรู้เท่าตามไปไม่ได้เลยเปรียบงั้นดังนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าเราอดเ้าทนเอาสู้ ทุกสู้ยากทำความเพียรในชีวิตนี่นะให้เต็มที่เสียแล้วถึงแม้จะยังไม่ถึงพระนิพพานแต่มันก็ใกล้พระนิพพานเข้าไปเรื่อยๆให้เข้าใจอย่างนั้นกระเพูดที่จะถึงพระนิพพานก็เพราะรู้เท่าทุกตามความเป็นจริงไม่วนไหวต่อ ท, ทุกนี่แหละ เมื่อเมื่อรู้ท้อทุกข์ไม่หวั่นไหวท้อทุกข์แล้วตัณหาความอยากภายในจิตใจนี่มันก็ระงับไปเลยอืมเพราะว่าตัณหามันก็อยากให้ร่างกายนี่แข็งแรงอยากให้ร่างกายนี่อยู่ยั่งยืนนานไม่อยางให้เจ็บไม่อย่างให้ป่วยนี่ตัณหาประเภทนี้นะ่ะอ ตัณหาอีกประเภทหนึง่งมันก็มันผ่านมาตั้งแต่เป็นวัยหนุ่มวัยกลางอันนี้ตัณหาประเภทนั้นนะรักในผัวในเมียอย่างดูดดึ่มอันนี้ผู้ที่ไม่มีผัวมีเมียได้ออกบวชมาแล้วก็สละความรักความพอใจในเรื่องผัวๆเมียเมีย มาแล้ววันนี้ก็มาติดอยู่ในร่างกายวันนี้มาเนี่ยมายึดมั่นอยู่ในร่างกายนี้ตอนนั้นบำภาวนาทําจิตให้สงบระงับแล้วมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นทําความรู้เท่าทุกขเวทนานั้นฝึกจิตมให้มันหนอนไหวเนี่ย ทันหาที่มันอยากให้ร่างกายมันเป็นปกติอยากให้มันมั่นคงถาวรอะไรนั่นมันก็หลังงับลงเพราะรู้ดีแล้วว่าร่างกายสังขารอันนี้มันไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์มันก็วันไหวไปมามันก็เป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็มีแต่อดกั้นทนทาน ไม่วันไหวต่อความแปรปวนของร่างกายทําความรู้เท่าว่าไม่ใช่เราแปรปวนขันทั้งห้าท่าทั้งสี่มันแปรปวนต่างหากจิตมีหน้าที่กําหนดรู้เท่าตามเป็นจริงเท่านั้นเมื่อฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วมันก็รู้เท่าได้เพราะว่าจิตจิตไม่วันไหวต่อทุกขเวทนานะ นันแหละมันก็รู้เท่าได้ปน่นี้ถ้าจิตวันไวต่อทุกขเวทนาอยู่ชื่อว่าไม่รู้เท่ามันเป็นยางงอย่างน้นอย่าอย่าไปกลัวต่อทุกขเวทนาไอ้จิตตรงนี้มันไม่ตายแม้นทุกจะกระทบกระทั่งอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ตายอย่ากลัวทําความกล้าหารสู้ไม่วันไว นี่แหละมันจะพ้นทุกข์ได้ก็ด้วยเหตุนี้แหละผู้ใดทำใจอ่อนแอพอทุกข์มาถึงเข้าก็ร้องครวญครางไปเลยไม่มีสติควบคุมจิตใจตัวเองได้เลยเช่นนี้แล้วก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เพียงงั้นดังนั้นเราต้องรู้ต้องรู้ว่า สิ่งที่เราจะต้องทำอันเป็นเรื่องประจำแท้ๆก็คือการรักษาจิตรักษาความรู้ความเห็นที่ได้บำเพ็ญในเกิดให้มีขึ้นแล้วอย่างนี้นะก็ต้องรักษาความรู้ความเห็นอ น, นั้นให้ตั้งมั่นเป็นปกติอยู่ อั น, นี้ก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงอย่างนี้ก็เห็นอยู่นั้นหมายก็ว่างั้นเห็นว่าร่างกายนี้เป็นทุกขทนได้ยากทนลำบากก็รู้ก็เห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนั้นเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าไม่ใช่ของเราเราจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทำไมก็ต้องวางตามสภาพของมัน มันจะแตกจะดับก็แล้วแต่เรื่องของมันออไม่ต้องไปเศร้าโศกเสียใจกับมันต้องฝึกจิตใจให้เป็นไปอย่างนี้อ่จิตนี้นะเมื่อฝึอกให้มันเข้มแข็งไอะไรมันก็ยิ่งเข้มแข็งเข้าไปหนักแน่นเข้าไปถ้าปล่อยมันอ่อนแอเข้าไปเลยมันก็ยิ่งอ่อนแอไปอย่างนี้นะอืดังนั้น อย่าให้มันอ่อนแอเราสามารถทำให้เข้มแข็งได้โดยยึดเอาคำสอนของพระเจ้าเป็นหลักว่าทุกข์เป็นของคนกําหนดรู้เท่าไม่ใช่เป็นของควรละละไม่ได้ในเมื่อขันหน้านี้ยังมีอยู่ขันหนานี้ยังไม่แตกไม่ดับตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้น จิตจึงมีหน้าที่อดกั้นทนทานเพราะว่าบุญเก่ายังไม่หมดจิตนี่จะถอนตัวออกจากร่างนี้ก็ไม่ได้เพราะบุญเก่ายังรักษาอยู่ก็ต้องอยู่ไปจะต้องอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาไปนี่อย่างน้อยทุกขเวทนาอย่างแยมแยบมันก็ ครอบงำจิตใจไม่ได้แล้วละโลกนี้ไปสู่โลกหน้าความทุกข์อันย่าย่อมันก็ไม่ได้ติดตามไปนะวันนีม้มันจะมีความทุกข์ก่อความทุกข์ส่วนละเอียดนั่นแหละก่อนับว่าเบาจากทุกข์ไปมากมายอ่อ้เข้าใจอย่างนั้น <c oughs> ถ้าเราจะพูดกันไปเรื่องอื่นมันก็มันก็ห่างจากทุกขแท้ที่จริงคนเราในจิตใจเลื่อนลอยพุ่งสั้นกับพ่อว่าสู้ความทุกข์ไม่ได้นี่เองนะเหตุนั้นนะจึงอยากจะย้ำเรื่องทุกข์นี้ให้มั่งมากให้ถือว่ามันไม่ใช่เราเป็นทุกข์ความทุกข์ไม่ใช่มีในเราให้มันรู้จะชัดใใจอย่างนั้นเรื่องมันนะ ทุกมันเป็นเรื่องของขันห้าอย่างที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นเนี่ยเพราะนั้นอย่าไปลืมข้อนี้นะก็ให้เตือนจิตของตนอย่างนี้เมื่อมันเกิดทุกขเวทนาได้ขึ้นมาก็ให้เตือนจิตว่าทุกขเวทนาเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของขันห้าไม่ใช่ตัวตนของเราอ่ทุกขเวทนาเหล่านี้ไม่ได้มีในจิต จิตไม่ได้มีในทุกเราก็หาอวายแยกจากกันอย่างนี้แหละถ้าเราไม่หาวายแยกยนี่มันก็เป็นอันเดียวกันเลยทุกข์กับจิตก็เป็นอันเดียวกันบนี้นะอันเป็นงนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็พ้นทุกข์ไม่ได้แล้วไปสู่โลกหน้าก็ทุกข์นี่ก็ติดตามไปอยู่งนั้นเนะี่ย ด้านั้นเราจะรู้ได้ว่าคนเกิดมาในโลกอันนี้นะมันเอาทุกข์ติดตามมาด้วยไม่ใช่เลยอพอเก็บใข้ได้ป่วยหรือพอมีใครกระทบกระทั่งเสีย อ, อกเสียใจบ้างร้องไห้ลำไายสาบแช่งคนอื่น ห, หรือพอเจ็บพอปวดอะไรรุนแรงเข้าไปก็ร้องไห้ลำไายนั้นแหละแสดงว่าจิตมันไม่มั่น มันไม่หนักแน่นมันไม่ได้กําหนดรู้เท่าทุกมาแต่ก่อนนู่นอ่มันยึดเอาทุกติดตามมาพราเกิดมาชาตินี้เราก็จึงว่ามาวันไหวกับทุกขเวทนาเหล่านี้จิตใจอันนี้นะอะมันเป็นอย่างนั้นวันไหว้เขาคนเขาด่าเขาว่าเสียดชีตัว ตัวเองเถียงสู้เขาไม่ได้ก็ร้องใ ห, ห้บางคนเป็นอย่างนั้นเรื่องพวนี้นะมันเป็นเรื่องหลงเรื่องเมาของ จ, จิตใจเมามาในสงสารนับชาติไม่ถ้วนแล้วเราควรจะตื่นตัวกันได้แล้ววันนี้นะเกิดมาในชาตินี้มาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบอกว่าทุกข์นั้นมีจริง ทีนี้ทุกมีจริงนงวันนี้ผู้รู้เท่าทุกนัมันมีอย่างงี้นะถ้าไม่มีผู้รู้ทุกก็ไม่มีคอยเข้าใจเอาใครจะมาบ่นเ พ, พ้อพิไลรลำพันจะมาแสดงออกทางกายทางวาจาลองให้รำไรอันนี้มันก็เพราะอิทธิพลของขิดนั่นเองเนี่ย จิตสู้กับความทุกข์ไม่ไหวก็เลยแสดงแสดงให้กายร้องให้ลําไยเศร้าโศกเคลียใจออกมานี่แท้ที่จริงก็จิตนั่นแหะร้องให้นะอมันเลยกระเทือนถึงร่างกายก็ร่างกายนี่ก็เลยร้องให้ตามไปอืมถ้าหากว่าจิตไม่ร้องให้แล้วร่างกายนี่ก็ไม่ร้องให้เลยะ เป็นอย่างนั้นจิตไม่ทุกร้อนอะไรแล้วอย่างนี้ร่างกายนี่มันก็ต้องแปรปวนไปตามเรื่องของมันเท่านั้นเนี่ยไม่มีผู้เป็นทุกข์กว่านี้น ะ, ะเพราะว่าจิตใจมันไม่หวันไหวแล้วมันไม่ถือว่าทุกเป็นของตนไม่ได้ถืออย่างนั้นกำหนดรู้ว่าทุกข์ไม่ใช่ของตนเป็นเรื่องของขันห้าต่างหาก อย่างนี้นะให้พากันฝึกจิตใจเข้าไปอย่างนี้อย่าไปย่อหย่อนอย่าไปสะดุ้งหวาดกลัวต่อความทุกข์กลัวทุกเท่าไรทุกยิ่งย่ำยีเข้าไปเท่านั้นเรื่องมันนะอถ้าเราทรําใจให้เข้มแข็งไม่หวาดกลัวเข้าไปอย่างนี้ทุกมันก็เบาบางจากจิตใจไปออมันเป็นงานเรื่องมันนะ ดังนั้นมันไม่ใช่อื่นไกลอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้ายังได้ทรงตัดด้วยว่าทกเท่านั้นเกิดขึ้นทกเท่านั้นตั้งอยู่และดับไปอนอกจากทกไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับเพื่อองค์กล่าวโดยสรุปใจความลงไปอย่างนี้เนี่ยก็เป็นความจริงเนี่ย ความเกิดขึ้นมาแห่งร่างกายสังขาร น, นันนี้ของร่างกายนี่ไม่เที่ยงนะมันก็หวั่นไหวไปมานานะน่ะ อ, อ่นั่นเนะ่ยเป็นเรียกว่าทุกขลักษณะลักษณะแห่งความทุกข์ของร่างกายมันหวั่นไหวไปมาแล้วก็ต้องได้เยียวยาอยู่ทุกวันเยียวยาด้วยข้าวด้วยน้ําด้วยยุกยาอย่างอื่นเข้าไปอย่างนี้นะ มันยังพอประทังอยู่ได้ถ้าหากว่าไม่เยียวยาอย่างนี้แล้วไม่อยู่ยั่งยืนไม่ได้เลยทุกข์ก้อนทุกข์อันนี้นะไม่เยียวยารักษาแล้วก็แตกดับไปเไปๆเท่านั้นเลยมีอะไรอ่ะอืมอันนี้เราอาศัยเยียวยารักษาอยู่ด้วยข้าวน้ําโภชนะอาหารเครื่องมุ่งเครื่องหอมที่อยู่ที่อาศัย กันพ้นกันลมกันแดดการตว์มีพิษกัดต่อยอะไรต่ออะไรเราหาทางป้องกันรักษามันอยู่อย่างนี้นะมันจึงพอประทังอยู่ได้ร่างกายอันนี้นะอันนี้แต่ถึงอย่างไรเมื่อถึงคาบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันหมดลงแล้วไม่มีอะไรป้องกันได้เลยแบบนี้ไม่มีอะไรป้องกันได้ มีเงินเป็นหลายน้อยล้านก็ก็ช่วยไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อบุญเก่าหมดลงแล้วอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเหล่านี้มันไม่ทำงานแล้วนะเหมือนอย่างรถลาซึ่งไม่มีน้ำมัน น, ะนั่นแหละเมื่อไม่มีน้ำมันหล่อรื่นแล้วสาตว์ก็ไม่ติดเลยฮะเป็นย่งั้น อันนั้นก็ยังชั่วหน่อยนะเอา น, น้ำมันใส่เข้าไปแล้วมันยังสตาร์ตติดไปได้ร่างกายคนเรานี่ถ้าบุญเก่าหมดลงไปแล้วแม้จะมีอาหารดีๆมาหล่อเลี้ยงสักเท่าไหร่มันก็ไม่รับประทานไม่รับอาหารนั่นซ้ำเลยไฟธาตุมันก็ดับมันก็ไม่ย่อยอาหารเมื่อไฟธาตุไม่ย่อยแล้วมันมันก็คืนไม่ลงซ้ำเลยไม่อยากซ้ำเลยอะเป็นอย่างนี้แหละร่างกายอันนี้นะ ให้พากันพิจารณาให้มันละเอียดถี่ท่วนเข้าไปแล้วเราก็จะได้เห็นได้ว่าเอ้าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเลย ว, วันนี้รวมความลงนะถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับใจมันก็จะอยู่ตั้งยั่งยืนต่อไปตามความประสงค์ของตนแต่นี่ความประสงค์ของจิตใจในความหวังว่าจะอาศัย ร่างกายอันนี้อยู่ไปตลอดการนานเนี่ยแต่มันไปไม่ได้ประเี้ยวมันขอมีขอบเขตจำกัดหมดบุญเก่าแล้วก็ต้องแตกตับทำลายท่องรูปร่างอันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้อย่าประมาทเราจะหวังเอาอะไรกับร่างกายอันนี้คิดดูให้ดีไม่มี ไม่มีได้อะไรอ่ะอืมจิดตดวงนี้ที่มันสำคัญเน่ะมันเป็นผู้สวยทุกสวยสุขร่างกายมันไม่ได้สวยสุขสวยทุกอะไรนะถ้าไม่มีจิดตดวงนี้แล้วมันก็เป็นเพียงธาตุดินธาตุน้าละลายออกจากกันแล้วก็ไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธ า, าตุไฟธาตุลมของเก่านั่นแหละเออ ในเมื่อจิตยังคลองอยู่มันก็ยังมีกําลังเดินเหินไปมาได้พูดจาได้ทําการงานต่างๆได้อยู่นี่ดังนั้นเราจะไว้ใจได้ยังไงบ่อนี้่ว่าบุญเก่าที่ทํามาแต่ก่อนนั้นเรารู้ไม่ได้ว่าเรามีบุญมากต้อยเท่าไหร่บุญนั้นมันจะหมดลงเมื่อไหร่ รู้ไม่ได้เลยไม่มีใครมาบอกล่วงหน้าเลยดังแบบนั้นนะ่ะเราจึงต้องเตรียมตัวไว้เสมออย่างนี้แหละเตรียมตัวไว้เพก่ิดให้เข้มแข็งหนักแน่นไว้อันเผื่อว่าบุญเก่ามันใกล้กจะหมดลงไปแล้วแล้วมันทําให้ร่างกายนี่ทรุดโทรมลงไปรับประทานอาหารก็ไม่ได้แล้วได้กันน่นี้นิดหน่อยหน่อยเพื่อนบ้านนะ นั่นเนอญาติผู้ดูแลก็หมดหวังแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นนะเห็นผู้ป่วยเป็นอย่างนั้นแล้วก็โอ้ยหมดหวังแล้วไม่มีหวังแล้วก็เท่านั้นแหละก็รอแต่วันแต่เวลาเท่านั้นเองในที่สุดเมื่อบุญเก่าหมดลงจริงๆมันก็ ชีวิตนี้ก็ดับปูบลงไปเหมือนไฟหมดเชื้อนั่นแหละมันก็ดับปุบลงไปอย่างนั้นเลยอันนี้แหละควรพากันพิจารณาเสมอเสมอไอเราคนขวายอาหารมารอเลี้ยงมันอยู่นี่ก็มันเป็นกฎธรรมดาของร่างกายสังขารอันนี้น ถึงแม้ว่าบุญกุศลโน้นหลังจะตกแต่งให้เกิดมาเป็นผู้เป็นคนมาก็จิงอยู่แต่ถ้าหาว่าไม่เอาอาหารหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถึงบุญกุศลจะตามมาตกแต่งให้ก็ตามถ้าไม่รับประทานอาหารและเป็นอันอยู่ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นดังนั้น เราต้องรู้เหตุปัจจัยของร่างกายสังขารอันนี้ให้ท่องแท้ให้แจ่มแจ้งในใจแล้วเช่นนี้เราก็จะได้รู้ได้ว่าเหตุปัจจัยที่ตกแต่งร่างกายนี้มันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แหละมันก็มีแตกมีดับเป็นธรรมดา เมื่อเหตุปัจเจเ น, นี้ดับแล้วร่างกายอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับไปเราหัดปงหัดวางไปเสียทุกวันทุกคืนไปทำจิตให้ส ง, งบลงไปก็ชื่อว่าวางแล้ววางสันธหน้าในลงไปเช่นนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเกี่ยมเนื้อเกี่ยมตัวอยู่ทุกเวลานาที ก็จะเป็นผู้ไม่ผิดหวังแน่นอนอก็จะไม่ไม่ไม่ได้ไปสู่ทุกขเมื่อไปไม่ไปสู่ทุกข์แล้วก็มีความสุขเป็นที่ไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้